แม้ว่าฉันยังไม่อาจจะเข้าใจฝืนยอมรับความเป็นจริงเมื่อถูกเธอทิ้งไปไม่ลาฉันรู้ว่าเธอก็คง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 I'm a f So I c a